ว่ามีคนส่งภาพ ม, มาทางต้นเลตเป็นภาพแม่มูเหลือมสองตัวถูกไฟครอกตายอันนี้ก็เหมือนเป็นยุคธรรมดานะเวลาไฟไหม้ไฟไหม้ป่านี่ก็จะเจอซ่สาสับในที่ถูกไฟครอกแต่ว่าภาพนี้มันตาจากที่เคยเห็นนะก็คือ ว, ว่าในในภาพเนี่ยมันมูเหลือมเนี่ยมันมันพันรอบไข่ของมัน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 เลี่ยลูกนะที่ร้องหยร้องไห้รบกวนทําให้ไม่มีสมาธิตบการเล่นก็เลยจัดการฆ่าเขา้นเทียบกับข่าวสองขานี้ก็มันก็ ม, นกมันก็น่าน่าอานาถในมือนนั้นงูมันพยายามมันยอมตายเพื่อลูกของมั น, มนแต่ว่าคนเราเนี่กลับฆ่าลูกเพื่อที่ได้ไปเล่นเกมออนไลน์